การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดอยู่ในหัวใจดวงใดในครัองใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้กิเลสแทรกเข้ามาในใจิตใจว่าการแก้กิเลสมันแก้ยาก จะเป็นการตัดทอนกำลังความอุสพยายามพองตนลงโดยไม่รู้ตัวคำ ว, ว่ายากนั้นคือเรื่องของกิเลสควมว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึง แก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินตรงกลมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ พอถอยอ่อนแอรหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิ่เล็กถูกลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของยิเล็ต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียนทุกๆประโยคเพราะกิเล็จะแทรกเข้าไปทุกระยะ โดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้เป็นกิเลสทั้งๆที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเ น, นินเพื่อจะแก้หรือถอด ถ, อ น, ถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัด ก, กับฟัน ถากทางสิ่งที่จิจขวงออกจากกิตใจทั้งนั้นท่านผู้สาะแสแงทามาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลาบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำหนึ่งถึงความพยายามที่จะเป็นผลสำเร็จดัง ความมุ่งหมายเท่านั้นยังได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของปินมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือจาสด า, า, าของเราท่านดำเนินอยางนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปจักผิดความมุ่งหมายและทางํำเนย แล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้นังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคยรนมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลการทที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลดหรือเลดลอดออกมาจากเนื้อมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลย ก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้ทงๆ ท, ที่กำลังประกอบความภาคเพียอยู่ก็อยู่ในความครอบงนำของมันจนก้าวไม่ออกในี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผล ทักิเลศทุกประเภคมาแล้วแต่ข้างพุทธกาลทำเหล่านั้นเป็นทาเครื่องหนุนกันมาเดิมแบบกิเลศตัวใดที่จะไม่ถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มี ถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็แล้วกิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจทำรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทาความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สัก์แต่ว่าทมไม่สัก์แต่ว่านั่งภ า, าวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลส ข, ขักดันออกไปทางใดย่อแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแต่เพราะอย่างยิ่งสังขารขันเพราะถูก ขับดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งหมดลเพื่อชื่อว่าทําแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้ขาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญไปในแถวของกิเลสทั้งหมวลเพราะเวลานี้กิเลสมีอํานาจเหนือขัน มีสัญญาสังขารขันเป็นต้นจึงต้องใช้ขันเหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดและสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผิดขึ้นมาด้วยทมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการยถูกถูก ยืแยงแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมถ้าเราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันนี้หากสมมุติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาอยู่นั้นภพนั้นเท่าภูเขาอยู่นั้นภพนั้นเท่าภูเขาอยู่นั้น ในสามแดนโลกกระถาดนี้จะมีตั้งแต่ทุกกองแห่งทุกเป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกของเราคนเดียวนี้ก็เป็นหมดทั้งสามแดนโลกกระถาดนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบบผู้หามผู้รับภาระในกองทุกทั้งหมดนี้ ก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเมื่อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เป็นความทุกข์ความทรามานเป็นสิ่งที่น่าขยะขยแขยงน่าเข็หลียเพียงไหรความจําความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้น ก็ไม่มีถูกลบร้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในพบใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ต่างและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิดใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืตัว ได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถยังทราบความเป็นมาของเราแล้ ว, ลวจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโล ก, กาฐานนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเคลลาบยิ่งประกองทุกข์ที่ผิดออกมาจากความกิดนั้นนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่ า, นาขยะแขยงและน่ากลัวน่าเคลลา ในขณะเดียวกันความภาคเคียรที่จะจะะเกียบตะกายออกจากกองเพิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะ ส, ะสะแวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมารายกั น, นีเสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับดังดาความภาคเคียรความอุตสาห์พยายามความอดความทน จะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันแล้วหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลากเนื่องจากความกรูทุกเช่นเดียวกับเรากลตัวเสือเสือวิ่งตามจะไล่กัดบุดวิดบุดบิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกิน นอกจากจะหมดกำลังแทงจริงไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่งให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกี่ยวตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่ทุกนี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันถวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานาน ในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพประชาประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมดทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจับใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเพื่อนมาโดนแล้วดนเล่าแบกแล้วแบกเราถูกเผารนแล้วเผาห ล, ล่ลนเา ก็ลืมไปหมดเสียจําไม่ได้จริงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้นจึงทําให้เรานอนนอนใจไม่อยากต้อกอบความภาาเกลียวตะเกียบเพื่อตะเกียบแต่กายให้รับพ้นไปจากกอมทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ นเนื่องความทุกข์ทั้งหมวลเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าพยะคเียงน่าเกลียดหลาบไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละลายละหลายนี้เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วและยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทามาณซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสตัอีกงีกับนักไม่ทวนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียนด้วยการแก้การตอบ ถอนต้นเหตุเข้ามันคือตัวกิเลสอันนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยมทุกข้ทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียนเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวิกทั้งหลายท่านตรงดำเนินและดำเนินมา และประกาศทำสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบทวกคนสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงไม่มีทำใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอทำของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุข ด, ด, ดนร้อนๆเผาอยู่ภายใจิตใจนี้เรื่อยมา จะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะกรรมต่อไปในอนาคตทางหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาหรอกมารับนอกจากใจดงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วถึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความเพ่าเทียมด้วยความสมัครคำเม้นเป็นความดูดดื่มปรีติยินดีที่จะลุกพ้นออก จากทุกได้ด้วยความตะเกียบตะกายนี้โดยไม่คิดคำหนึงถึงว่าการประกอบความผักอย่างนี้เป็นความลาบากอันเป็นแง่แห่งความดลบรลีของวิเดชประเภทหนึ่งที่แทกไปโระโ ด, ดุจในประโยชน์แห่งความเพียนของเราการทํ า, าทสมาธิภาวนาอุสุกหัดเบื้องต้นก็มีทําหลายบทหลายบาดอีกจะควรเลือกได้ตามจริตนิสัย ที่ชอบทั้งตนเห็นอนาปาณสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วปู่ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีพึงกาหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นด้างจมูกเป็นตน้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกาหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนาน โดยความมีสติ ร, าา ร, ระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือกิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้น <c oughs> ลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องขาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระ ความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขนาดนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องแม้จะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สใสัถ้ามีสเสต็คดังที่กก่าแลย <c oughs> การภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยทาบทใดก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมแล้วเอาทำบทนั้น มาเป็นหลักเป็นเตือนเป็นสาระแต่สารเป็นมาผลนิพพานเป็นความผุดพ้นจากถูกแต่เราหมายเอาใจดวง ท, ที่รู้อยู่นี้สะ้ะค่ะเหตุที่อาศัยทำเหล่านั้น <c oughs> หรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือ น, นำธรรมบทนั้นนั้นมาพอนาะก็เพราะจิตของเรายัางไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นนั้นมีลม หาใจเป็นต้นแฟนที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในทํามนั้นๆแล้วอย่างเข้าสู่ความสงบได้ <c oughs> เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมคลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นไปในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความส อันควรต่อยวางคําบริกรรมได้แล้ว <c oughs> อนาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คําว่าลมละเอียดก็่าใดจะจิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไปลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลม แต่เราภาวนเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลมไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นและลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดกลัวเป็นกลัวตาเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตาย ดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติตของเขาแต่แต่เพียงว่าจิตของเราไปยึดไปหมั่นสําคัญต่างๆและอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงภาวนาเพื่อการต่อยวางอารมณ์ทั้งหลายลนั้นให้ยึดลมหรือกรรมโดยกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จะจิต การภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอาัาจฉ ร, รย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลงดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาข้างต้นนี่คือภาคสมถะ ก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วถ้าสมถานนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากหมายนะักมีจุดเป็นที่รวมรวมลงดังที่กล่าวนี้จะพรนาบทใดก็าตามตามแต่ความถนัดของจริตจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ท้งนั้นไม่ขัดรวมปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านภา ค, คิดพาพรอนพินิษพี่เจรนะ ถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นถึงนั้นถึงนี้ซึ่งสังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาที่นี่คือการนะั้แต่พ่ออย่างยิ่งรูปประคั่นเป็นสําคัญ คือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายไหนให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะควรพิจาจรณาข้างนอกหรือข้างในรูปนอกหรือรูปใหม่กายนอกหรือกายใหน่กายเขาหรือกายเรากายร่างกายชคยก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ไม่ขัดข้องพิจารณาได้เช่งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกัน รวมอยู่ในอนิจจังทุกขังนตารวมในปฏิคุณโสโคเพื่อความเบื่อหน่ายใช้ความกำหนัดยินดีด้วยกั น, นพึงพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกท้ายจะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอ อ, อยู่ภายในภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่ลืน พิเรศทั้งหลายนับแต่ดูปารดารูป า, ดา ร, รปาดาหนักขันดักลายนัขันโทเวนูปารดาหนักขันโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันีน่ความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในยินญาณขันถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณา มีรู ป, ปรขันเป็นสาคัญในขั้นเดิมแรบกบแต่จะแยกไปทางเวทนาขันสัญญาขันตามโอกาสอันเหมาะสมในยลานั้นก็ไม่ขัดข้องทงั้งทั้งที่เรากำลังพิจารณาอุ ป, ปขันจิตใจซึมซาบจะซึมซ า, าบไปถึงเวทนาขันเช่นสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาสังขารขันก็ตามปเป็นธรรมไปด้วยกันท่านั้นในขณะนั้นเรียกว่าทาํางา ทำงานในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันวิญญาขันเป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ด้วยความรู้แจ้งแจงพิรุ ข, ของปัญญาด้วยขันทั้งนั้นเจิมไม่สิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจรารณายานอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการ น, นำออกใช้ด้วยการชอบค่ายวนไตรตรอง ข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุดในขระดาใดขณะหนึ่งก็ไา้ถ้านำออกช้านอกจากไม่นําออกช้ามีแต่ความสงบก็จงอยู่นั่นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจา่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือน ก, นกันกับหินทับย่าเวลาหินทับอยู่ย่าก็ไม่เกิด พายกหินออกพนังยาก็เปดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งลากไม่มีเหลือเนไหมปัญญานี่เพื่อจะขุดคน้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูกตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารมิญญาหรือตามตรูกเสียงติดเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนยาไปนับญ า, ไ ป, าไปคำนึงคำนวณ สิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจ น, จนชัดจะเอาเวลาเลาข้มาทําลายกําหนดเวลากาหนดนั้นเวลาเท่านี้กําหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิอเลสให้กําหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ้งแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริง นี่เป็นธรรมแท้ให้กาหนดอย่างนี้ร่างกายก่อนแยกเข้าไปครับแต่ผมขนและฝันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงหันหาความสวยความางามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอตาคือเป็นตัว ตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาได้ก็ไม่ท่านพูดว่าอานาตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพั ง, งมันไปตลอดเวลาด้วยอํานาจแห่งอันนี้จะทำบังคับอยู่แล้ววังเอาอะไรกันมาดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับ มีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทําศัพท์แต่ว่าทําแล้วเล่ยๆร่อ น, อนๆถลายถลไายออกไปโน่นไปนีปน่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียป้องหาปัญญาความเห็นรูน้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโรคตามสารตามกิเลสตัญหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลย จังต้องอาศัยความพยายามอาให้จริงให้จริงอยาไปคาดไปหมายกวา้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์วิเดียดูในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนได้ตั้งแต่อํานาจของกิเดียดอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของวิเดียทั้งหมดอยู่ในขันธ์ในใจของเราการพิจารณาจึ็นคน้นคว้าลงไปให้เห็น ตามความจริงของไห น, นดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรที่ชายออกใางเห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมมาสวยว่า ง, งามน้มากีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันปักเสียบไว้หมดรอบอรัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของนา่ารักใข้ชอบใจ ของกีังท้าวอยเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นก็ดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความดุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายั่านตรัสระดุษผ่านเบิกทั้นเพิ่มท่านถอนสิ่งจานตอนทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงล้วนๆจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย หรือในขันนี้มานานเท่าไหร่ทอดถานเอาอหมดด้วยพระปรีชายาณอย่า ง, งชา้ตลอดทั่วถึงจงกายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วนักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลบภพมิเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้ละเอียดรละเอียดถ่างกายนี้เป็นสนามโลก หรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่เรากับพี่เล็กความยึดมั่นถือมัน่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอบสองมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงดวนๆความปรามล้นล้นก็จะขาดรอยไปโดยลำดับธรามดาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมขนาดปัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปรขังเป็นต้น ทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันคือรูปประขันเป็นต้นนี้ได้ในขนาดนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาทัญญาา้งหยาทั้งขันอย่างใก็พิจารณาในทํารองเดียวกันนี้นอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสาุพันออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไปตามขั้นของสภาวะธรรม หรตามสภาพของสภาวะธรรมจึงไม่เกี่ยวกับไม่ เ, ไมเกี่ยวกับอสุปภาพอรูปธรเหมืนนนมอนร่างกายการพิจารณานั้นชูลทราบเข้าไปโดยลำดับตลาหนาร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นทิพยพักผ่อนหย่อนใจเท่านัไม่เลยพิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอน อ, อุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ทัด พานาจิตใจว่าพอแล้ว่ะไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารยิ่งยหก็เป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งที่ออกมาจากใจสิ่งนี้ก็เป็นอาการทังแต่ว่าอาการอาการเป็นไร มันเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็นไปด้วยอนิจจังทุกขังตออาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสั้งดาทั้งสังขารอย่างของเวทนานั้นนั้นเนื้นใช้ปัญญาพิณิพิจนา่าสนใจกับการกับสถานที่กับเว ล, ลามีหลาย่าสนใจกับโลกสงสาร น, นี้ว่ามีกว้างมีเพือมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ ยิ่งก่าการสนใจกับการพุทณ์พิจารณาของตนในงานของตนมีกันน้ำเระหนึ่งว่าโลกชาตนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความทักเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันถึงเราจะทําสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอฉันเป็นตัญญารมณ์กับมันให้มืตั้งแต่ คำบริกรรมไม่เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้ให้คิดให้ตรุงเฉพาะคําบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคําบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นนั้นเวทนาสัญญาสังขารดีอย่างนี้ด้วยเลยะก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์น ก, นกันกับจิต กับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะระยะไม่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นระยะระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะระยะพูดกันไปค้นกันมาอยู่างนั้นเป็นระยะระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ชาตตามไปจริงทั้งรูปนยทั้งเวทนาในขันธารูปอันนี้ทั้งสัญญา ความจําได้ไหมรู้ทั้งสังขารที่คิดตึงขึ้นยิบยักคิดยัทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยุบยับยิบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นกินมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยเนี่ยยึดย่อจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆ สติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปที่นี้วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นได้ชัดเรื่ราวมันยึดเยื้อไปหมดโยงระโยงระยา ง, ย ง, ยงไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสติัญญาล ม, มันก็ไปพาไปหมายให้หลงยึดหงถือหลงหลงหลงแร ง, ง, ง, งไปหมดนั่ น, หนแหละเราก็ยังยอมเชื่อมาเขาพูดเรื่องอะไรอะไรอยู่กี่ทวีมันก็ไปยึดมาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้น ธาตขึ้นมาล็อกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดือนแน่อนไม่ตื่นเงาแล้วก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความติดนงงตัวมันแล้วอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาถึงขันปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาสอบแทรกเข้าไป ภายในใจตัวใจนั้นคื อ, คอรังอวิชชารัางของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกอสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหงส์จมูกเลิ้ยงตาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารยืนเดไม่ถูกตัดเข้าไปเป็ น, น, นบรรดาตัญดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยและยังเห ล, ลือแต่อวิชชา ที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุมโมงค์และจอสติปัญญาขนาดเปน็นประจุนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือพบอันละเอียดอยู่ตรงนั้นพบอยู่ที่นั่นชาดอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นสติปัญญาฟาดฟันหั่นแแบบลงไป จนธรรมชาตินั้นแตกกระจายไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่แท้เอียกวิวมุตติเมื่อสมมุติอันละเอียดเพื่อวิชาปฏัตยาสร้างข่าลาดได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยยิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือน ขึ้นอว่าสมมุติทั้งหมวลไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สม ม, มุตินั่นเป็นรีโมทแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นด่าถือนี่อย่าหลงนั่นนั่นเป็นสม ม, มุติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติกิงใครกิงเรา ขันทั้งห้าซึ่งถือว่าเคยเป็นท้าศิกเพราะที่จะพาให้เป็นท้าศิกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประคันก็ได้แก่สุขทุ ก, ทกทข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรูปก็สักแต่ว่าจําสักแต่ว่าจํำก็เป็นความจริงทั้งขนันกันเพียงคิดปุงยิบยับยิบยับแล้วเกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเปิดกลับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่ ง, งแต่ว่ารากภาพ ทราบทราบทราบแล้วดับไปดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยืดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัการมีอยู่ตอนนี้จิตกลายเป็นของสิงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตงเต็มผู่นระหว่างคนห้ากับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกัน ที่แรกที่เคยให้ความกระทบกระทอนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขนาดนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจิงไม่มีอีกต่อไปตลอดอ น, นาาันตกาลนิพพานเที่ยงเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของฌานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหา ถ้าเห็นความจริงของศาสตาองค์เอกแต่แ ล, ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังฉนันงขฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังานังขฉามีมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันขึ้นชื่อว่าจิตปริมุตธ์แล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดหาในพานเที่ยงก็หมดหามุทภาพยาอาพยู่ที่ไหนก็หมดปัญหา พระพุทธเจ้าถ้าสงศ์ชั่ท่านปริพันธ์แล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงศ์ใส่ประสงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจึงเสมอไปที่เราทั้งหลายกราบบูชาพระุทธเจ้าพระธรรมสูงอยู่แล้วนี่กราบธรรมชาตินั้นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุกถ้าพระพูดเป็นจุก เป็นที่จุดที่หมาแห่งการยึดการเกาะของศับโลกชาวทุทธเรากล่าวเปล่งวาจาประดุกทางใจถึงผู้ที่เก้าประสงค์สามประสงค์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเต็มไปด้วยธรรมเต็มไปด้วยความจริงงานที่เราทั้งหลายได้ ก, าากราบไหว้บูชามาแล้วจึงทําทให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธรรมังสนังฉามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัย อยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาถ้าทําถ้าส่งนี่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผูนั้นเห็นภาษาผู้ใดเห็นทําู้นั้นเห็นเราภาษาคนแล้วก็เป็นอเดียวไม่มีทางสงสัยแล้วทนี้อาเทีย ก, กันเลยกับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาไภัยหนมาเฉดหลามหน้าขยับขยแง น่ากลัวอย่างยิ่งคราบสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าประมังสุขขังประมังสุขขังคุ้มค่าไหมคุ่มความภาคภนมิใจเพึ่งเป็นพิ่งตายกัดทำทุกข์ยากทำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของจิตหลุกยการตะเกียกจากกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากหร่อต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความนอดตายของตัวเองเพราะกลัวจะลําบากาบาก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารเสียสิแต่ยังไง ใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกําลังพอตะเกียบตะกาได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากสกัดอยู่แล้วนั้นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกําลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียบตะกาอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารลรานี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตุน ถ้ายังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันทันอย่างนี้ตลอดไปแล้วเหรือทัศน์ปัญญากําลังบังชา ม, มีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนะเหมือนกันกับเนหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อดของเสือต้องตะเกียบตะกายสุดฝีมือถู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียบตะกายตนที่จะให้พ้นจากอิเลสอันเป็น ไฮไลท์ที่สุดเปรียบเหมือนเสือหรืยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องในเสกเกี่ยวตะกาให้เป็นกําลังความสามารถทั้งตนขาดที่ไหนขาดไปเ ห, หนืใหญ่เหงือมันไปมาได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองก้าวไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอยู่นั้นเองเอาตายก็ตายตายในฐานนักรบไม่แดนแห่งนักหลบไม่ใช่แดนแห่งนักหลบหลบน่นหลีกนีนก่ให้เจิดเดืดคาบเอาคาบเอาตื้นเอาตื้นเอา ถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วเหรอทำความเพียงอ่อนแอะแอะเยาะหยอกแยะแยะหาที่ดอกดีติดตัวน่าจเเป็นผู้ฉลาดปีเข้าไปหาขี้เดือดคนกืนเอากืนออกเป็นคนฉลาดแล้วเหรอเราต้องคิดแง่ๆๆรงเราการจล่าท่างนี้ไม่ได้ว่าท่าผู้หนึ่งผู้ใดผิดอุบายขึ้นมาท่านตลาดได้นําไปคิดเพื่อต่อสู้กับไทยที่หยุนภาใน ห, งหงัวใจตนเองเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็ น, นเพ่ดิ่งกำลังความสา ม, มารถ อุบายไดที่ควรจะคิดได้โกระเด็นนั้นยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าอูบาจารที่หยิบยื่นให้เป็นอะไรแล้วกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาเท่าไรไม่มีวันหมดวันที่หนึ่งไปได้เลยทำพิจารณาทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสาคัญเอาให้จิงให้จงกก า, า, างนับปฏิบัติย่าทําำเลยๆง่าน แต่ถืองานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นผกลา ง, งานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสําคัญคืองานเดินในกรมนั่งสงมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแต่เพียงว่าอาศัยช่วการเฉยๆไม่ถือเป็นสิ่งทัง ส, าาสำคัญสำคัญใดมากนะยิ่งกว่างานคือการขอพรพิเดชสรานพิเดชให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาเพระวิมุติธรรมขึ้นมาขอตลอดอนันตการนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยม ให้มีอะไรซ้ำหูถึงพากันตั้งอกตั้งใจเป็นนิพพิจนาหูตามีให้ดูซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงนีกกระทกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นที่เรียกตอแค่ดอกหยาบเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าปฏิจัความหมาดอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันตอกมันหาเรื่องห้ลาอยู่าาางนนออกมมมมัไ่ดูคํ ผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงไห น, นผู้บาปที่บาปหากมีเหตุมีผลหรือมีการอังควรที่จะควรแนะนําตัดใจตัดสั่งกันนะให้ยอมรับเพิ่มกันกันจึงเรียกว่าเป็นหนากรรมะอย่าให้ยุดเด็ดเข้ามาแฝงว่าอวดดิบอวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของยุดเดชไม่ยอมรับทำ ถ้าเป็นค่าศึกษากันขึ้นมากับภาพราะเดชพาเป็นค่าศึกษาไม่ใช่ทำบายเป็นค่าศึกษาผู้ตั้งใจบวชปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยก็ยอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทเพื่อกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันเน้งอัดเนี้ยทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันเนแง่น เ, นเมตตานี้เป็นธรรมล้วนๆอยู่ได้ด้วยความปาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อน ตัวเองก็ไม่สําคัญว่าตัวเองนี้สูงกว่าผู้หนึงผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุดระหว่างแห่งการะกั น, กนที่มาอยู่ร่วมกันถึงข้อว่าปฏิบัติก็ให้ต่างหๆต่ า, ตางๆประพฤติปฏิบัติอยา่าให้มีหนักมีเบาในรายน้ำหลายมือตา่างๆต่างๆทําด้วยความจําเป็นของตนเองจริงๆพราะข้อว่าปฏิบัตินี้ทําเพื่อเราโดยธรรมทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็ เพื่อตัวเองตัวเองอยู่นั่นแหละแสดงทพอเห็นมาสวจึงขอฤติเพียงเท่น